ชอบเหมือนกันคนไทยก็มีโกรธมีเกียดชอบเหมือนกันคนจีนก็ยังมีโกรธมีเกียดมีชอบเหมือนกันใครว่าคน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 มีดีใจมีเสียใจมีอะไรอาวรณ์คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เนี่ยนั่นหลพระพุทธเจ้าท่านจึงสองนว่าเรื่องอดีตอนาคตนั้นอยา่าไปสนใจมันเาต้องพยายามให้จับความรู้สึกการเคลื่อนคารไหวของลูป ก, กายภายนอกแล้ว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 กำรับคนผู้ที่รู้ทำนั้นมันอิดใจเดียวเท่านั้นเองดังนั้นควมคิดนี่พอดีมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็คุงเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นสังขารเป็นอารมณ์ไปนั่นแหละเท่านั้นวัตฏสงสารยืนยาวนานสำหรับคนผู้ที่ไม่รู้เราเนึกว่าตายสาตมนี้ไปเกิดสาต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 บ้หลวง่อเล่าแลนไปแลนจะหาพระพุทเจ้าพระพุทเจ้าท่านก็เฉยเดินไปเดินไปองคุณิมานวิ่งไปพอเดวิ่งเหนื่อยแล้วก็ถามสมณะโคดมไม่กลัวตายจะวิ่งไปทําไมจะเดินไปทําไมพูดนั้นพระพุทเจ้าของเราเนี่็เลยเราไม่ได้วิ่งเราไม่ไดเดิน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 องคุริมาลก็เลยเกิดได้มคิดขึ้นมาเอานี่เราทาชั่วแล้วนี่เราพูดชั่วแล้วนี่เราคิดชั่วแล้วนี่ฆ่าคนองคุริมาลก็ไลหยุดผมคิดได้เนี่อันนี้เลยที่ว่าหยุดคมคิดไายได้ถ้าหยุดคมคิดไม่ได้เขาเรียกวัดตะสงสารยืนยาวนานาำรับคนคูที่ไม่รู้ธรรมวัต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 คนตอบเขาให้ว่าเราไม่ได้เป็นผิดของใครไม่อยู่ในสำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองตัดกระลูโดยชอบพูดอย่างนี้สักพอาะนี้คุณให้ฟังถามคนนั้งกอไม่เสือเลยเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังคุณพูดอย่างนี้แลกดื่นให้ขันหลังให้คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์ จะรู้ได้ยังไงเขาใจอยงนั้นใครจะรู้แทนเราไม่ได้ยังญาติโยมหรือเพื่อนภิสูจนสมเนงพระสงฆ์องเจ้าฟังผมพูดอยู่เดียวนี้เร็อฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะ น, นี้ท่านดูคนคิดของท่านหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นคนาคิดของท่านหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อรู้คนคิดของหลวงพ่อคนอื่นจะเห็นจะรู้ดี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 นว่าวัตตะสงสารยืนยาวนานสำหรับคลผู้ที่ไม่รู้ธรรมคนที่รู้ธรรม ก็ได้ไม่ขวัดก็ได้จะบวนเป็นผราเป็นเองก็ได้ไม่ต้องบวนเป็นผระเป็นเองก็ได้จะรับสินก็ได้ไม่รับสินก็ได้มันจริงวัดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะ ขอพระพุทธเจ้าแต่จิตใจอันนั้นมันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นดังนั้นพระพุทธเจ้าทถึงสอนคนที่ไม่รู้ให้เขารู้สอนคนที่มีทุกข์ให้เขาไม่มีทุกข์สอนคนที่ยั ง, งโง่ไว้ยังกรไดให้เขาสลาดขึ้นมาไม่ใช่จะไปสอนคนที่ยั ง, งโง่ให้มันงโง่ดักดานลงไปไม่ใช่ว่าสอนคนที่มีทุกข์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 การภาษาที่บ้านของคือโทสะโมหะโลภะนิอมกิเลสอย่างยัง่งยืนต่อไปก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานนี่เท่านั้นเองเมื่อโทสะโมหะโลภะลดน้อยเบาบางลงไปกิเลสตัณหาอุปาทานลดน้อยเบาบางลงไปสิลก็มีแล้วปรากฏขึ้นมาเองเพราะ